ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรพฤติยานในวันนี้คงเป็นการตรอบคำถามของข้าราชการตำรวจผู้รับการอบอรมในโครงการพัฒนาจิ ต, ตอกองบัญชาการศึกษาและกองบัญชาการตำรวจผู้ถอดพักห น, นึง่งท ว, ว่าผู้แก้เบอดสูงเดินจังหวัดนครราชสีมา ท่านถามว่าทำไมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระหรือทางศาสนาเช่นพญาศสะภวนาพุทโธวัด ร, รรมกายการตัดสินถูกผิดช้ามากช้าจนลืมและหายไปเลยหรือว่าพระเหล่านั้นอิทธิพลครองกำลอยู่อันนี้เราูดกันโดยความลำเอียงนะครับคือยกตัวอย่าง คดีในบ้านเราเช่นเรื่องทองสาอุนี่ก็สิบกว่าปีแล้วยังไม่เรียบร้อยเลยเรื่องะกูลศรีธนาขันก็เท่าไหร่แล้วก็สิบกว่าปีนล้วเมกันคดีที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นคดีที่นานที่สุดเนี่ยแปดปีเก้าปีสิบปีบางทีคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ตายไปทั้งหลายคนแล้วเรื่องยังไม่เสร็จ แต่เรื่องวัดประธรมกายนี่รู้สึกมันจะเกิดเรื่องแถวทีสองอะไรแต่เนี่ยนกะ็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรื่องมายันตระถือว่าตัดสินเสร็จไปแล้วเรื่องภาวนาพุทโธเป็นเรื่องของทางโลกนะเรื่องกฎหมายทางโลกขเขากล่าหาว่าโสมหญิงนะเพียงอยู่ที่ศาลนเรื่องยังอยู่ที่ศาลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงอับลำเอียงเนี่ย ผลลัพที่เกิดขึ้นแก่พระนี่ตัดสินเร็วกว่าทางโลกทั้งเยอะเพียงแต่ว่าเรามีความคิดค่อนข้างอาคติแล้วก็ไม่ได้เทียบเคียงกับเรื่องเราอื่นดูแต่กูลสีท่าขาันเลยแล้วเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะเราก็รู้ข่าวเงียบไปตั้งนานแล้วแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นแปลงผู้ต้องหาก็อยู่ในเรือนจาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นนักโทษ สารเนี่ยไม่ได้ตัดสินเ อ, อ่อวิ่งเต้นประกันกันดูแต่ก็รอกันกงนานแล้วนะคือเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เปราะบางเราจะใช้อารมณ์มากเกินไปเนี่ยไม่ได้หรอกการลงโทษคนที่ไม่ได้ทำผิดหนึ่งคนเนี่ยการปล่อยคนทำผิดสิบคนเนี่ยดีกว่า เพราะว่ามันเป็นบาปนะควรก็ไม่ได้ทําผิดเลยไปกล่วาวหาว่าเขาทาผิดเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเหล่านั้นอย่างชัดเจนเรารู้จากข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งนั้นในเรื่องเนี้ย เ, เรื่องจริงๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ก็ต่อไปถามว่าวิญญาณจิตวิญญาณของคนที่มาเกิดบนโลก หรือในคันมันดามาจุติตั้งแต่เมื่อไรจุตินี่แปลว่าตายนะคือตายปั๊บมันเกิดปุ๊บปฏิสนธินี่แปลว่าเกิดปฏิสนธินี่แปลว่าเกิดแต่จุติยันก็แปลว่าตายหมายความตายปั๊บก็เกิดปุ๊บก็จุติปฏิสนธิจุติปั๊บก็ปฏิสนธิปุ๊บแต่ว่ามาจากไหนอะไรนั้นเป็นเรื่องระดับปิญญาณที่เราจะไปยังรู้ได้ แต่คนที่ประจนที่ในคันมันดาหรือในโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีข้อยุติพู้เจ้าทรงแสดงโดยอุปมาว่ามันเหมือนกระโโยนทอดไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็ปลายลงบางครั้งก็กลางลงบางครั้งก็เอาโควรลงคือมันไม่ใช่ข้อยุติว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น คนจากโลกนี้มาเกิดในโลกนี้ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นตายจากโลกอื่นไปเกิดโลกอื่นตายจากโลกอื่นๆไปเกิดโลกอื่นๆตายจากโลกอื่นๆมาเกิดในโลกนี้ก็ได้เราเลยก็ออนิยายอะไรไม่ได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นการไปส่นชิแล้วจุติแล้วก็ไปส่นชิเลยเป็นไปตามแรงกรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้ก็ต่อไปถามว่า ทำไมจะต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีน่าจะแปลเป็นภาษาไทยสวดให้รู้เรื่องกันไปเลยตามแบบที่ปฏิบัติดูน่าเบือ่ออ่านยากและยังไม่รู้เรื่องอีกต่างหาเพื่อการสวดมนต์เนี่ยเขามุ่งให้จิตสงบอยู่กับบทสวดเพื่อจิตใจจะน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์ ไม่ได้มองไปที่ให้เรารู้รู้เขาก็บรรยายเขาก็เทศเขาก็ปาตากถาเขาก็พิปรายเขาก็มีวิธีเยอะที่ต้องการให้เรารู้เนี่ยกลว่มมุนต์ตามปกติเขาไม่นิยมแปลกันไม่ว่าในศาสนาใดก็ตา ม, มาลองสังเกตศสาสนาอิสลามก็ยังสวดด้วยภาษาของเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าต่างคนต่างแปลเนี่ยในสุดมันก็เข้ารกกระพงกันไป คืแปลกันตามอัธยาศัยแล้วคาสอนดั้งเดิมที่ถูกต้องเป็นยังไงเลยก็ไม่มีคนรู้กันเพราะท่านจึงไม่นิยมไม่นิยมแปลออกมาเป็นภาษานั้นๆคงรักษาภาษาดั้งเดิมเอาไว้ลองสังเกตุคาสอนในศาสนาไหนก็ตามแต่เวลาเนี้ยเขาก็แปลก็แปลไอ้ตัวรักษาบาลีาก็รักษาไปแล้วอย่างพระไตรปิดกอย่างเนี้ยเราก็แปลมาแล้วไอ้ตัวบาลีก็ยังอยู่ กันรักษาไว้เพื่อจะเกิดเป็นปัญหาก็าไปสอบทานกับบาลีได้ว่าบาลีจริงๆเนี่ยเขาว่าอย่างไงที่ตานแปลงมาอย่างนี้เนี่ยตัดแปลามาหมดโดยไม่เคยรักษาตัวบาลีเอาไว้ในสุดไม่รู้ว่าไอ้ตัวจริงๆคืออะไรบาลีพุทธวจนะจริงๆนี่คืออะไรก็กลายเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติได้ก็ ยากเราถ้าเราตั้งใจนะคืออ่านภาษาบาลีที่เขาสะกดแบบบาลีเนี่ยอ่านง่ายกว่าภาษาไทยที่สะกดโดยสารพยัญชนะของเราสินะมันไม่รกอะมันไม่รกตัวมันมันมันโปรงโปร่งไม่แน่นพอจับหลักได้แล้วก็อ่านสบายอ่านได้เร็วกว่ามาเองอย่าอ่านเวลาเขาเขียนเป็นสะกดโดยภาษาไทยเนี่ยอ่านยังงงอ แต่ถ้าอ่านโดยภาษาบาลีเรารรู้สึกร า, ร, า, ร, ารู้สึกเราอ่านได้เด็ยคือตัวมันไม่หนาไม่แน่นน่ะมันมีสัญลักษณ์แทนอยู่เป็นนันมากก็ต่อไปถามว่าการบวชเป็นพระนั้นห้ามแม้ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเคอตัดขาดจากทางโลกพระธรรมวินัย น, นี้ไม่เป็นการขัดกับหลักธรรมาชาติหรืออย่างไร ทัางๆ ท, ที่คําสอนของหลักพุทธศาสนาคือหลักของธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องการอดมือเย็นไม่ขาดกหลักปรจชนาการหรือทำไมทางแพทย์ถึงถึงให้รับประทานคือการไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศเนี่ยมันเป็นหลักการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ระดับศีลห้าเนี่ยมันก็มีเพศสัมพันธ์ได้ แต่พอถึงศีลแปดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้พอศีลเป็นสามัญณศีลเป็นสามัณรีเป็นนางศีกามานาเป็นพระภิกษุเป็นภิกษุณีเนี่ยพวกนี้ไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ก็เรียกเป็นศีลภูมิจันทร์ก็เป็นความสมัครใจของท่านนะท่านไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวคือไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเดียวแหละผู้หญิงก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายด้วยนะก็เป็นศีลสมัครคนทุกคน ที่ต้องการสมัครใจถือพระพฤติปฏิบัติไปตามหลักบทบัญดัติตรงนั้นท่านก็ถือพระพฤติปฏิบัติไปคนที่ยังไม่สามารถจะยึดถือพระพฤติปฏิบัติก็ตามอัธยาศัยมันที่จริงระดับศีลธรรมเนี่ยมันผืนธรรมชาติมนุษย์อยู่ ธรรมชาติมนุษย์เจนฆ่ากันกินแย่งข้าวแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอนานาจกันเป็นใหญ่เป็นปนัญหาจริยธรรมมนุษย์ก็ต้องฝืนธรรมชาติเหล่านั้นเรามีอาหารกินจริงแต่ไม่ถึงก็แย่งกันเรามีถิ่นอยู่แต่ไม่ถึงก็แย่งกันเรามีคู่ครองแต่ไม่ถึงก็แย่งกันมีอํานาจแต่ไม่ถึงก็แย่งกัน มีกฎเกณฑ์ไมระเบียบแบบแผนไม่หลักการวิธีการที่เหมาะที่ควรจึงจะได้มาถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะาในหลักหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ฟื้นทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ขึ้นไปเป็นการปฏิบัติขัดเกลาใจิตใจของตัวเองให้เจือจางบาบางลงไปจากใ จ, ใจิตใจส่วนธรรมชาติก็ธรรมชาตินะฮะส่วนทุกข์สัตย์เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ส่วนมรรสัดเนี่ยมันทวนกระแสธรรมชาติส่วนสมุทสสรศีสัสมันก็ไหลาตามธรรมชาติตัวนี้โรธธ า, สาสตุเนี่ยมัอยู่เหนือธรรมชาติมันก็แล้วแต่ทีนี้เราต้องการจะเดินไปบนอย่างน้อยนี่ทวนกระแสธรรมชาติคืออย่าให้ธรรมชาติพัดหมุนจนสูญเสียการทรงตัวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้เราก็ต้องพยายามทวนกระแสธรรมชาติไปเรื่อย ตามบทบัญญัติคนศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยคือมันไม่ใช่คือหลักการธรรมชาติทั้งหมดแต่ธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเราอย่าลืมว่าหนึ่งก็คือคล้อยตามธรรมชาติสองก็ทวนกระแสธรรมชาติสามก็หาประโยชน์จากธรรมชาติสี่มันกต้องทําลายนะธรรมชาติบางอย่างเนี่ยต้องทําลายไปเพราะว่า มันเป็นอันตรายนะฮะถ้าถ้าปฏิบัติตามมันไปเรื่อยๆที่นี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารถ้าว่ากันตามความจริงเนี่ยอาหารที่พระฉันก็พอเพียงแก่การยังอัตภาพไปเป็นไปก็ไม่ถึงกับหิวโหยรุนแรงมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับอิ่มหมี่พิมันมันมีในกรณีที่ขาดอาหารเนี่ย มันมีอาหารมื้อที่เป็นยาอยู่ด้วยตรนั้นก็ใชจริงๆมันมีพวกเพสตส์ัดเนยใสในคนน้ํามันน้ํำพึ่งน้ำอ้อย ม, มันก็มีอยู่นะี่ยพวกน้ําปลาน้ำพวกน้ําดื่มเครื่องดื่มทุกวันเนี่ยน้าดื่มทั้งหลายนเราสามารถที่จะดื่มได้ก็แ ก, แก้แก้หิวไปได้วันแพทย์เองเวลาเ้าบวชเขาก็ปฏิบัติได้คือที่จริงเนี่ย ถ้าฉันอาหารถ้ากลัวจะหิวมันก็ฉันทั้งมื้อเช้ามื้อเพล่นนะครับถ้าไม่กลัวหิวมากเกินไปก็ฉันเช้าน้อยหน่อยฉันเพลนมากหน่อยหรือฉันเช้ามากหน่อยฉันเพลนน้อยหน่อยอะ้รแต่ไรเนี่ยก็อยู่ได้นะสรุปไปอยู่ได้ก็ต่อไปถามว่าจุดประสงค์ในการอบรมการพัฒนาจิตนี้ เพื่อต้องการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจาวันซึ่งผู้เข้ารับการอบรมบางคนยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะมีข้อด้อยหรือข้อจำกัดเรื่องสุขภาพแต่ทางคณะวิทยากรพยายามที่จะทำให้ผู้อบรมเข้าถึงสมาธิจนเกือบที่จะเป็นการบังคับซึ่งขัดกับบทสวดมนต์ทวาเช้าซึ่งไปแล้วได้ใจความว่าจักทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสอนของพระบูมีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังอันนี้มันเป็นหลักการในการสอนเนี่ยคือเขาว่าไปตามหลักแต่บนหลักเหล่านั้นเราจะดำเนินไปได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของเราอีกทีนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิบัติเท่าทันกันทั้งหมดเพราะในใครที่ยังรู้สึกว่า ไม่สามารถจะปฏิบัติเต็มแม่เต็มหน่วยก็ปฏิบัติไปตามยถาสติ ย, ถ า, ตยถาพลังกปตามกระปังสติปัญญาของเราที่จะกระทำได้แต่ว่าใครที่มีฉันเทาอุสาหามีความพยายามแก่กล้ามากพอก็พยายามไม่มากกว่านั้นหน่อยเพื่อจะได้รับผลผลเ ต, เติมขึ้นมากกว่าที่คนอื่นเขาปฏิบัติ อันนี้มันมันมันอยู่ที่พื้นฐานของคนเนะนะี่ยนะคือเราจะเจาะจงว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท e ่านั้นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คนมันต่างกันคนบางคนเคนี่ยเขมีพื้นเพจฤทิตอัตยาศัยมาดีบางคนยิ้หิวหน่อยแล้วรู้สึกจิใจสงบได้ดีบางคนต้องอาหารพอดีพอดีอะไรต่ออะไ ร, ะไรเนี่ยก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องอาหารเนี่ยนะอาหารบางคนนะต้องหิวนะฮะต้องหิวซะก่อนแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติได้สะดวกปฏิบัติได้สงบ ไอ้ส่วนที่ว่าจะทําในใจอยู่ตามปฏิบัติดูซึ่งคําสอนของรรอพระพุทธเจ้านั้นตามสติกามังก็ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่หมายความว่าให้ใส่ใจสนใจมนณสิการถึงธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนเหล่านั้น ก็ต่อไปถามว่ากระผมได้ดูรายการฟังความข้างรอบขั่งของไอจีวีในหัวข้อทั้งมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้มีโทษประหารชีวิตมีผู้ร่วมรายการทั้งตำรวจอายการนั ก, กจิตวิทยาทนายความศาลนักสังคมสงเคราะห์แต่ไม่มีพระสงฆ์ไปร่วมรายการอยากทราบว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการให้คงมีอยู่ซึ่งโทษประหาร ตามแนวคิดของสงฆ์คือเรื่องของทางโลกเลยนะมันมีเรื่องอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาใช้อุเบกขาคือวางเฉยมันสัตว์ทั้งหลายมันเป็นไปตามกรรมมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมเราเองก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนะฮะแล้วพระเองถ้าทำผิดขึ้นมาก็อาจจะถูกลงโ์กประหารได้เหมือนกันมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางทรงประชน์อยู่แท้ๆแล้วก็กษัตริย์นี่เป็นลูกศิษย์เยอะแต่พระเจ้าก็ไม่เคยห้ามเรื่องโทษประหารเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องโทษประหารเขามันเป็นกฎกติกาของทางบ้านเมืองถ้าพระเจ้าจะรับสั่งมันน่าจะรับสั่งได้แต่ก็ไม่รับสั่งคือเป็นปฏิปทาที่น่าคิดอยู่แสดงว่าทรงวางเฉยใน ศาสนาทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาเราจะไปขัดขืนอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันไปศาสนาจะไปสนับสนุนส่งเสริมในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรบนเรื่องบางเรื่องนี่มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องพูดเห็นว่ามันนอกวิสัยคือไม่อยู่ในวิสัยที่พระเราจะแสดงความคิดความเห็นในลักษณะอย่างนั้นได้เราก็ไม่แสดงความคิดเห็น คือพอไอ้ชาวบ้านก็พูดกันไปใ้าจะพูดในทานองส่งเสริมก็ไม่ได้นะฮะแต่ทานองห้ามปรามก็คงไม่ได้เหมือนกันก็ดีที่สุดก็คือวางเฉยคือซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ก็ไปกลางข็ตัวอย่างพลังจิตพลังความดีพลังจิตก็คือจิตใจที่มีความเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความพยายามบักบันเด็ดเดี่ยวไม่หวาดหวันตูกประสาคอันตรายต่างๆมีความระลึกถึงเรื่องอะไรได้อย่างชัดเจนแ น, แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็มีความสงบเย็นอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีปัญญาในการสรวจสอบพิจารณาแต่ละอย่างมันรินพลังแล้วพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นตัวความดี ที่ทำให้คนอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอยู่ด้วยความเพียรพยายามอยู่ด้วยความมีสติอยู่ด้วยความมีสมาธิอยู่ด้วยความมีปัญญามันก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและการดูเ อ, อเคยมีกัง้งกั้งกั้งกั้งต้มตุ๋นตบทองโดยใช้วิธีสะกดจิตหรือทำให้เหยื่อ คลองสติไม่ได้เขาทำได้ยังไงหรือวิธีอื่นขอทราบรายละเอียดและวิธีแก้ไขอันนี้ไม่ทราบนะฮะไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่าการทำให้มึนงงเนี่ยมันคงจะใช้สารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้คนที่เราไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจก็ต้องสังเกตสังการนะฮะ แต่วิธีทําเนี่ยมันลูกไกลกับวัดจะเกิดในเรื่องอย่างเงี้ยข้าก็คงไม่ไปรู้ไปรู้ก็หรอกแต่สรุปว่ า, ามันต้องมีสารเคมีอะไรอยู่มีสเปรย์มีอะไรตอะไรเนี่ยมันฉีดไปทําให้งงให้ลื ม, แ, มและมีได้เรื่องของคนเล่านะคนก็เล่ออกฟังเราก็ไม่เคยเห็นเองตามว่าบุคคลที่ทํา การค่ายาเสพติดวงเล็บยาบ้าทําไมจึงมีโทษเบาเกินไปน่าจะประหารชีวิตทําไมกฎหมายจึงให้โ อ, อกาสมากเกินไปหรือประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเกี่ยวกับกันหรือไม่ก็จะข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์นี้ว่าประหารเยอะนะโทษประหารเยอะยาบ้าเนี่ยโดยเฉพาะพวกผิดพวกจำน่ายพวกไม่ใช่เสพสูบนะพวกผิดพวกจำน่าย มีไว้ในครอบครองจำํำนวนมากๆเนี่ยก็ก็มีโทษข่าวโทษประหารออกมาเยอะเลยเก็เป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากที่พระเองก็คงจะพูดยากหมายความมากับเขาเราก็มีโอกาสที่จะพูดกับทางราชการเราก็มีหน้าที่ที่จะพูดบางทางที่ว่าเป็นปัญหาที่ที่น่าจะช่วยกันดูแลได้ ใ, ใส่ ว่าเป็นปนัญหาสังคมที่เป็นปนัญหายากรรมที่กระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมืองนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณภาพของมาจากรในรุนแรงแต่ก็ยากต่อการที่จะพูดจาให้เกิดความเข้าใจกันได้เพราะว่าเราไม่รู้นะฮะว่าคนเหล่านี้เป็นใครแล้วเขาก็ไม่กล้าจิตกับวัดนะฮะก็ไม่เข้าวัดความธรรมจำศีลอะไร แล้วก็เทศตออ่อทางวิทยุอย่างนี้ต่อปัญหาวิทยุอย่างเงี้เขาก็ไปฟังคืออย่างนีกไม่ออกนะว่าจะติดต่อเขาได้ยังไงนอกจากว่าทางราชการจับเขาไว้ได้แล้วก็เราไปอบรมโอ้โหมันภูเขาเลยเป็นปนัญหาภูเขาที่จะชะล้างในจิตใจของเขาที่หนักแน่นไปในทางเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากข้อต่อไปถามว่า ข้าเจ้าเป็นคนที่นอนแล้วหลับฝันตลอดความได้ในทุกในทุกที่และศาสนาพุทธสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมการถูกลงโทษโดนคุมนรกต่างๆเจ็บปวดทรมานและทำไมมีการกล่าวว่าเวลาหลับจิตหรือวิญญาณจะออกจากร่างเวลานอนฝันว่าถูกยิงหรือถูกทำร้ายร่างกายจึงไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดขาเจ้าเคยถูกวางยาสลบ ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีความฝันไม่มีความรู้สึกไม่มีกัวตนไม่มีอะไรทั้งนั้นก็แท้จริงเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไรกันแนะ่คือเรื่องฝันก็เรื่องฝันนะเรื่องจริงก็เรื่องจริงเรื่องฝันมันก็คือเรื่องไม่จริงนะหมายความว่าดูแล้วแค่ค่าจริงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จริงตอนฝันก็คือสักแต่ว่าฝันแต่ว่าอาจจะเป็นคนฝันมากไปหน่อยแต่นั้นเง อส่วนวางยาสลบออมาเองก็เคยถูกตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรรู้สึกจะสีห้าครั้งแล้วนะในชีวิตเนี่ยตัววางยาสลบเนี่ยผ่าตัดเป็นยูชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเหมือนกันไม่ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เหมือนก็อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งหลับไปเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวทีหนึ่งเดิมก็หมดก็เสร็จแล้ว ก, ก็ผ่าตัดเสร็จไปแล้ว ในเราฝันที่ให้มันเจ็บปวดได้ยังไงเพราะว่าจริงๆมันไม่จริงคือไม่ถูกจริงๆไม่ถูกแทงจริงไม่ถูกฝันจริงใจเจ็ปวดมันก็เรื่องจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต่อไปถามว่าคิดอย่างไรกับไอทีวีที่เสนอเจาะลึกเกี่ยวกับตํำรวจแล้วคอยจะผิดตํำรวจมันก็ไม่ใจคอยจะผิดตํำรวจหรอกนะมันเป็นการเสนอสะท้อนเงาหนังสือพิมพ์น่ยมันเป็นกระจก มันเป็นกระจกสะท้อนความจริงเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวเขาตามจับผิดเราถ้าเราไม่ทำผิดเนี่ยกขาไม่มีผิดให้เราจับก็ไม่รบไม่มีผิดให้เขาจับหรอแต่ที่เรากลัวเพราะเรามีความผิดให้เขาจับร่องทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามยาทำให้มันผิดแล้วก็ความผิดก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบได้เขามีหน้าที่ทำก็ทาไปเราไม่มี เรามีหน้าที่เรามั่นระวังเราก็สำบวงระวังไปแต่เราไม่มีจุดปัญหาอะไรเขาก็ทาอะไรเราไม่ได้ต้องฟังทั้งหนายใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมยงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี